เราต่างคนต่างก็อุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนากันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเกิดตรงนี้ตอนเกิดใหม่ๆก็ไปแจ้งกะเกิดเขาก็ลงวสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธ นั่นมันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดมาทีแรกนู้ น, น, นไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันทบทวนดูให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้นะคำมความว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธเช่นนี้มันก็ต้องมีความรู้ พุทธะไปว่าผู้รู้รู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์และตลอดถึงมรรคผลนิพพานการที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มันก็ต้องอาศัยความรู้ในเบื้องต้นนี่แหละเป็นบรรทัดฐานก่อน คือว่าชํามละโวมชั่วออกจากากายวาจาใจนี่ให้มันหมดไปก่อนมันถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเราจะไปรู้อนิพพานทีเดียวเลยไม่ได้นะต้องรู้เบื้องต้นนี่ต้องสะสังกายวาจาใจทั้งตนให้มันสะอาดจากกิเลสบาปรธรรมขั้นหยาบๆยาบนี้ให้มันได้ เนี <N ee> ่ยก็จึงสมกับว่าเราเป็นชาวพุทธนั่นเออันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันก็เกิดมาจากกิเลสนั่นแหละความโลภความกโกรธความหลงเนี่ยเท้ทฟังอยู่จนว่าทุกวันทุกกันเลยกันเทศกันใดจะไม่ยกกิเลสอันนี้นออกมา ว่ากันนะไม่มีเลยนะเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมันยังไม่รูนะ้เป็นชาวพุทธชื่อนะแต่ว่าใจยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษแม้บวชเข้ามาแล้วก็ตามนะมันก็ยังไม่รู้นะก็ยังละไม่ได้เลยอนะก็มีอยู่นี่เรื่องมันนะ เพราะการแนะนําสั่งสอนนะจะไปพูดเรื่องอื่นนะมันก็จะเข้าทํานองที่ว่าเกาไม่ถูกที่คั น, นมันจะได้ผลอะไระอ่ะเมื่อคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั้นอันนี้คนเราเมื่อมันคล่องอยู่ในเรื่องใดเราก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาพูดกั น, นอ่าให้มันรู้กัน อย่างความโลภอย่างนี้นะเอาก็โลภนี่นหมายความว่าความเพ่งเล็งเนี่ยนั่นแหละความเพ่งเลงไปภายนอกเพ่งเลงไปหาบุคคลบ้างเพ่งเลงไปหาวัตถุสิ่งของบ้างเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็อยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงนะอันนี้คําว่าโลภะหรือว่าความโลภนะแปลว่าความเพ่งเลงนี่ให้เพึ่งรู้ความหมายอะ่ะ ทีนี้ถ้าผู้ใดมาสำรวมจิตของตนได้ไม่เพ่งไปอย่างนั้นนะความโลภนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันนะก็เมื่อมันเพ่งไปใส่บุคคลคนนั้นละ่ะมันทำความไม่พอใจบุคคลคนนั้นละ่ะมันถึงได้โกรธขึ้นมาแต่ถ้ามันสำรวมใจเอาภายในในี้ไม่เพ่งออกไปหาคนนั้นมันไม่โกรธเลย ลองคิดดูสิเนี่ยคนเรายังยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยถึงบวชเข้ามาก็าตามบางคนนะยังไม่ฉลาดสัมรวมจิตใจตัวเองเลยยังปล่อยให้กิเลสย่ำยีได้จนแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะทั้งที่เทศให้ฟังอยู่ เกือบแพศ ท, ทุกวันเลยยังไม่เห็นโทษแห่งความโกรธความดุร้ายต่างๆมานี้บางคนเนะไม่ใช่ทั่วไปะนั่นแหละใครเป็นยังไงนะต้องรู้ตัวต้องทบทวนตัวเองให้ดีการฟังเทศถ้าหากว่าไม่ทบทวนดูไม่พิจารณาดูตัวเองเทียบกับคําสอนของอุตเจ้านั้นมันไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าตนบกพ้องอยู่ไงไม่รู้ว่าตนสะสมกิเลสอะไรไว้ในใจก็ไม่รู้อืค <c oughs> นไม่รู้นั่นแหละมันถึงได้ปล่อยให้กิเลสมีอํานาจเหนือจิตใจจนสามารถบงการให้แสดงออกทางกายทางวาจาออกมามได้ นี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่สมกับว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เมื่อเกิดอขอให้ทบทวนกันให้ดีนั่นไงเพราะฉะนั้นในแนวทางนี่เราพูดกันในแนวทางปฏิบัติการที่มันจะละกิเลสเหล่านี้ได้น่นก็เพราะสำรวมใจนี่เนี่ย รู้จักห้ามใจตัวเองอย่าให้มันเพ่งออไปภายนอก น, ะนี่แต่คนผู้ที่ประมาทแล้วเพราะว่าตาได้เห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงอะไรที่ไม่พออกพอใจแล้วจิตมันเพ่งไปเลย อ, อ่นั่นแหละจิตมันเพ่งไปหารูปนั้นจิตมันเพ่งไปหาเสียงนั้นเลยมันมันไม่ห้ามตัวเองนะ มันไม่รู้จักห้ามตัวเองอนั่นเนะเมื่อมันเพ่งไปอย่างนั้นมันก็ความโกรธมันก็ลุกรามขึ้นเลยทีแรกก็ใจเป็นพระแบบนี้ท่าน่อมาใจก็เป็นผีไปเลยบบนี้นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นความเพ่งเลงนะความไม่รักษาจิตตัวเองนะ มันจะพาให้ไปถูกอวายภูมิมันต้องรู้กันนะ น, นี่เราพูดกันในทางปฏิบัติแล้วเราต้องสำรวมจิตใจอยู่ทุกเวลานาทนีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติสมัติชัยากควบคุมจิตตัวเองอยู่เรื่อยไปคอยระวังเหตุที่มันจะมาจูงใจให้ประพฤติชั่วน่ะ นี่มันต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าไอ้ตนก็รู้ตนด้วยตนยังละกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งบาปนั้นยังไม่ได้หมดเห็นแต่บรรเทาลงไปนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อขาดการสํารวมระวังแล้วมันกิเลสมันได้ช่อมมันก็ลุกขึ้นเลยอ่ะกิเลสนี่นะมันดองอยู่ภายในจิตใจของคนเรานั้น แล้ววันนี้มันอาศัยเหตุภายนอกนั้นกระทบเข้ามาภายในเนี่ยกิเลส ท, ที่มันดองอยู่ในใจน่มันมันได้เชื่อแล้วมันจึงลุกขึ้นขึ้นนั่นแหละบุคคลไม่มีสติเข้มแข็งไม่มีความอดกั้นทนทานก็เลยเลยปล่อยให้กิเลสมันบังคับตัวเองให้ทำชั่วออกไป แสดงความชั่วออกไปทางกายทางวาจาได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะดังนั้นเนะ่ยเมื่อไรแล้วเราจึงยิพย่พิจารณาจะเห็นโทษของกิเลสอันนี้สักทีอนะ่ถามตัวเองดูนะแต่ละคนนะหรือยังแกเห็นว่ากิเลสอย่างว่านี่มันดีอยู่เหรอนี่ก็ต้องเพ่งทบทวนดูอ่านะ ทบทวนดูด้วยตนเองอันนําพังผู้อื่นสอนนะถ้าตนไม่ทําตามแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยการฟังคําสอนก็ดีไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าตนไม่ทําตามแล้วไม่เอาตามแล้วนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ได้เมื่อฟังแล้วต้องลงมือทําตามจริงๆอย่างนั้นอ่นั่นแหละมันถึงได้เป็นประโยชน์ได้ ประโยชน์จึงเกิดจากการฟังนี่แล้วประโยชน์เกิดจากการภาวนาการทำจิตให้สงบก็เตือนอยู่แล้วนะเมื่อทำจิตให้สงบแล้วหากว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าจิตของเรามันยังคล่องอยู่ในสิ่งนั้นหรือมันยังหวัดไหวอยู่กับเรื่องนั้นก็ให้หยิบยกเรื่องนั้นมาวินิจฉัยในขณะที่จิตใจมันสงบอยู่ อันนี้นะทําไมมันถึงไปยินดีกับกิเลสอันนั้นอยู่เนี่ยหยิบยกเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจัยเลยอะ่ะเมื่อใจมันสงบลงแล้วอะเมื่อใจสงบลงแล้วกําหนดเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจัยมันก็เห็นแจ้งที่แบบ น, นี้นะมันเห็นแจ้งนะ่ะแต่หาว่าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นนะ มันไม่เห็นแจ้งหรอกจะเอามาพิจรารณาอย่างไงมันก็ไม่เห็นแจ้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจ้องดูเรื่องนั้นได้โดยเฉพาะหันใจไม่สงบนะเพราะว่ากำหนดวิจานณาเรื่องนี้แหละสักหน่อยมันก็พลิกไปเรื่องอื่นนู่นแล้วอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะท่ันนะการนี้มันจะรู้ได้นะมันต้องใจแน่วเป็นหนึ่งอยู่ที่เดียวอ่า เหมือนอย่างเราอ่านหนังสืออย่างนี้นะอยู่กระดานป้ายอย่างนี้นะถ้าว่าเราสายตาล็อกแกลกล็อกแลกไปมานี่ไม่มีทางมัที่ไปอ่านหนังสืออยู่กระดานป้ายนั้นได้อ่าเป็นอย่างนั้นเนะ่อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจมันสายไปส่มาอยู่นั้นนะมันจะกาหนดที่นาเรื่องใดๆมันก็ไม่เห็นแจ้งในเรื่องนั้นเลยอ่อาก็ให้พึ่งพากันเข้าใจ นี่เรื่องหลงแบบ น, นี้นะเรื่องหลงนี่มันก็หมายถึงว่าปล่อยใจให้เพ่งเล็งออกไปข้างนอกนะั่นเอะเมื่อปล่อยใจให้เลื่อนลอยเพลินไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเลยน ะ, อะตอนทำผิดพูดผิดยังไงก็ไม่รู้ตัวเลยนะบ น, นี้ไอจิตมันลอยไปอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหมายความว่าสติเนะี่ยมันระลึกออกไปข้างนอกนูนนะ่น มันไม่ได้มาควบคุมจิตอยู่ภายในเหตุนันะ้นน่ะตอนทำผิดพูดผิดอะไรไปมันถึงไม่รู้ตัวอะไระแล้วก็กิเลสมันเกิดขึ้นก็ห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าสติมันหนีออกแล้วมันห่างรละลึกออกไปไกลแล้วแล้ววันนี้กิเลสมันมีอิทธิพลแล้วเผื่อว่าสติรละลึกได้จะห้าม จิตนี่ไม่ให้มันหวันไหวไปนี่มันไม่ได้สิมันกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือแล้วมันรวมกําลังกันได้มากแล้วนั่การที่กิเลสมันจะไม่มีอิทธิพลถึงกับมาบังคับกายวาจให้ทําชั่วพูดชั่วได้มันต้องอาศัยสตินั้นคอยระมัดระวังอยู่เสมอพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทั่งมานี่สติก็วิ่งเข้าไปควบคุมจิตทันทีเลย เบรกเลยเหมือนอย่างเขาขับรถนะเมื่อรู้ว่ารถนี่มันจะมันจะไปทนคนบ่หรือมันจะไปทนอะไรมันจิตเสียหลักยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเหยียบเบรกเลยให้รถมันเบาลงให้มันวิ่งช้าลงนะอออย่างนั้นเนะี่ยมันก็ต้องเป็นแค่นั้นอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละไอจิตใจอันนี้นะ มันจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติควบคุมอยู่เท่านั้นแ่ละอาศัยสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอเลยนะแม้เราจะทำการงานอะไรอยู่ก็ดีจะพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นปกติอยู่ได้นี่อันนี้คนส่วนมากไม่เป็นไม่ได้ปฏิบัติอย่างว่านี่ พอทําทอะไรเช่นอย่างว่าพูดกันสนทนาปา่าใสกันอย่างนี้นะเมื่อไปถึงบทขบขันแบบนี่กัหัวเลาะแล้วก็เพลินไปเลยลืมตัวแล้วแบบนี้อ่าเอาถ้าไปไปถึงบทเกิดความเห็นขัดแย้งกันเข้าแบเนี้ก็เอาแล้วเทียงกันหน้าดําหน้าแดงไปเลยอลืมนึกถึงไอ้คุณธรรมอันดีงามเลยฮะนี่ เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันไปนี่การปฏิบัติทำ ม, มาหมู่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบนี้เอามาทิ้งหมดนั่นแหละนี่ที่ให้เห็นว่าไอ้ขาดสติสมบัตสัญญาแล้วไม่เป็นท่าเลยนะกายวาจาใจนี่น ะ, ะไม่เป็นท่าเลยดังนั้นอนะ่ะ ถึงพยายามยกเอาเรื่องนี้มาพูดสู่การฟังนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จุดบกพร่องของตัวเองที่ในขณะใ ด, ดจิตใจตนวันไหวหรือว่าคลังเผลอไปในทางที่ไม่ถูกแล้วนั้นในขณะนั้ น, นแสดงว่าสติไม่ได้ควบคุมจิตใจสัมปชัญญะความรู้ตัวก็ไม่มีไปรู้แต่เรื่องอื่นนุ่น ไม่รู้แต่เรื่องใจมันไปคล้องอยู่นู่นไอ้จิตที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี่นะมันไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยว่าตนกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้จิตตนกำลังไปกาะคล้องกับอะไรไม่รู้ตัวเลยอันนี้นะท่านเรียกว่าขาดสมปัญญานี่ให้พึ่งพากันเข้าใจนี่นะ่ะรวมความเราว่าจิตใจในคนเรานี่ ถ้าขาดสติสมบัติสัญญาควบคุมแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลยเหลวไหลมดอ่าเลวไหลอ่ ะ, หอะให้พากันเข้าใจให้มากมา ก, มากเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลึก เ, เรื่องขำจนน่ามองไม่เห็นเลยนะอ่าก็ก็เมื่อคนเรานะี่มันสังเกตตัวเองไปทุกระยะนี่มันรู้ได้เลยนะไอะเรื่องที่พูดให้ฟังมานี่นะ รู้ว่าตนเผลอสติเมื่อไหร่นี่ก็รู้ได้ถ้าเอาใจจดจ่ออยู่นี่นั่นแหละตนมีสติอยู่เวลานี่ก็รู้ได้เนี่ยจิตใจตนเป็นป ก, กติอยู่ก็รู้ในขณะนี้จิตใจตนหวันไหวกับเรื่องอะไรก็รู้นี่สําหรับผููมีสตินะผููฝึกสติอยู่อย่างในสติปัฏฐานนั่นแนหะอะพระองค์สอนให้มีแตกรร่กาหนดรู้มด พยายามกำหนดรู้แม่ใจที่มันไม่สงบอยู่มันฟุ้งซ่านออกไปนี่ก็รู้นี่ใจเวลานี้มันความรักครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความชังครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความหลงครอบครอบงำไม่สามารถจะคิดอะไรรู้อะไรได้ก็รู้ นี่พระองค์ทรงพระประสงค์ให้ให้คนเรานั้นมีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวของอาการกายอาการวาจาอาการอาการใจของตนอยู่ทุกเวลานาทีในสติปัฏฐานนะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราเป็นสาวกของพระองค์เป็นพระก็ต้องกล่าวคำปฏิญญาณตน ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เหมือนกันเป็นเนนก็เหมือนกันเป็นอุบาสกุบาสิกาก็เหมือนกันหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนกันทุกคนก็ร่วนแต่กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ีด้พึ่งเพราะว่าเาทำบุญที่ได้รับสินทีได้ก็ต้องขอสินพร้อมทั้งพระไกรสารณาคมด้วยนูน่นหรอ แล้วก็พระท่านก็น้ำว่ า, าตนกว็ว่าตามพระไปนั่นแสดงว่าไม่ว่าเพศไหนเพศเหลืองเพศขาวเพศดำไอ้สำหรับว่าเป็นทาวพุทธแล้วนะร่วนแต่ได้กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาเป็นระยะระยะมาอะไไม่ได้ขาด ทีนี้ความประพฤติของแต่ละคนนะมันสมหรือไม่ว่าสมกับที่เราปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเนี่ยมันสมหรือไม่นั่นทุกคนต้องเพ่งพิจารณาตัวเองให้ดีพุทธแปลว่าผู้รู้นันแนะผู้รู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเอง จึงเรียกว่าพุทธะธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลเอาถ้าถ้าใจมันยึดเอาเรื่องชั่วมามันก็ทรงเอาเรื่องชั่วนั้นไว้ก็เป็นทำฝ่ายชั่วนี่ถ้าว่าใจมันน้อมไปในทางดีมันชอบความดีมันก็ยึดเอาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผื่นมาเป็นอารมณ์ เช่นนี้ก็แสดงว่าจิตทรงไว้ซึ่งธรรมฝ่ายกุศลนี่คําว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งความดีความชั่วหรือความไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละให้เพิ่งพากันเข้าใจบัดนี้เราทรงไว้ซึ่งความดีหรือความชั่วนี่นะมันก็ต้องพิจารณาดูตัวเองทุกคนแหละต้องสำรวจกลัวกาดูตนเสมอ อย่าไปเมาอย่าไปทําตนเป็นคนเมาคนหลงอโดยที่ไม่ได้มาวินิจฉัยตัวเองอย่างนี้นั่น น, นจึงนึกถึงตนเองครั้งหนึ่งอย่นี้มันไม่ทันกับความหลงแล้วให้เข้าใจเราต้องหัดมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อแต่ละเวลาแต่ละนาทีไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนะ แต่ละเวลาแต่ละนาทีนี่เราต้องพยายามระลึกถึงตนของตนสเสมอสเสมอให้ได้เมื่อเราหมั่นระลึกถึงตนให้มากอยู่นี้สติมันก็เอที่เข้ามาแล้วบะนี้นะมันไม่อยู่ห่างจากกายวาจาใจแล้วมันใกล้กายวาจาใจเข้ามาแล้วหมั่นระลึกเข้ามาบ่อยๆเขามันชินสิวะนี้นะ มันชินแล้วมันก็เป็นอันว่าสตินั้นก็ไม่ห่างจากจิตใจแล้ววัานี้เราระลึกเราหมัน่นทำความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะสติมันก็เลยประจำอยู่กับจิตนี่ถึงแม้ว่ามันจะระลึกออกไปข้างนอกมันก็ระลึกไปแต่เพียงว่าในเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่ควรจะคิด เท่านั้นเองพอคิดรู้เรื่องนั้นแล้วก็กลับเข้ามารู้กายวาจาใจของตนอยู่เหมือนเดิมมาคอยระมัดระวังภัยอันตรายที่มันจะเกิดแก่ตนของตนนะนะภัยอันตรายก็คือว่าคอยระมัดระวังเรื่องชั่วต่างๆที่มันจรมาจากภายนอกมันจะมากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วทำให้ใจวันไว้ไปตามเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นนะ นี่มันมีอยู่นี่เรื่องท้งส่างภายนอกนะเรื่องชั่วก็มีเรื่องดีก็มีนี่และนี่บุคคลใดไม่ระวังตัวปะเนี่ยเมื่อไม่ระวังตัวเผลอตัวปล่อยสติะระลึกเล่ล่อนไปภายนอกอยู่เนี่ยพอเรื่องชั่วกระทบทางๆานต้นเข้ามาลนะสติข้ามจิตไม่ทันแล้วจิตตื่นเต้นไปกับเรื่องชั่วเหล่านั้นว่อนไววไปตามแล้วสติควบคุมไม่อยู่แล้วบนนี้ นั่นแหละสาเหตุที่มันจะแสดงออกทางกายทางวาจาบะเนี่ยให้พึ่งพากันรู้เ้าถ้าใคคอยระมัดระวังภัยเหล่านี้อยู่นึกว่าภัยทั้งหลายมันย่อมมีอยู่ในตนของตนอย่างนี้ลนะผู้นั้นก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ลนะเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างกระทบกระทั่งเข้ามามันกดห้ามจิตได้ทันเลยแบบนี้ เพราะสตินะั้นมันอยู่ใกล้กับจิตอยู่แล้วเมืม่อมันห้ามทันอย่างนี้มันมันก็มาแทนได้รู้อํานาจแกียิเลนั่นแหละปะเนี่ยเมื่อมันห้ามทันมันก็กําหนดละกันลงไปเลยแล้วไอ้เรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสัตะกาศไปเป็นอาวากาศไปหายเข้ากลีบไม่ไปเลยเพราะว่าจิตไม่รับเอาแล้วนี่ ผิดไม่ยึดไม่ถือเอาแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ว่าจะไปมีฤทธิ์มีเดชเหมือนอย่างงูพิษบอกอะไรต่ออะไรมานี่สิ่งมานี้สัตว์มานี้นะถ้าหากว่าเราไปจับมันเข้าอย่างนี้มันกัดเลยทันทีเลยอย่างนี้น ะ, ะนะกัดแล้วก็เจ็บปวดเลยออันชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันเนะี่ย อารมณ์ต่างๆในโลกนี้ถ้าจิตไปยึดมันเข้าแล้วไม่รักก็ชังนี่ไม่โลภก็โกรธ อ, อันหลงแท้ว่ามันมาด้วยกันเลยแหละถ้าจิตวันไว้ไปตามแล้วความหลงมันก็แทรกเข้าพร้อมเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึงรู้ว่าเมื่อรู้ตัวว่าตนยังละกิเลสยังไม่ได้หมดอย่างนี้นะ ก็แสดงว่าตนน่ะมันยังมีศัตรูอยู่ยังมีภัยอยู่รอบด้านนะนี่ควรตื่นตัวที่ถ้าตนหวังที่จะถอนตอนออกจากทุกข์ในสงสารนะ่ะตนไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วเมื่อไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วผดยังไม่ระมัดระวังตัวออปล่อยให้จิตหลงสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องได้รับทุกข์วันยังค่าแหละ แต่ทั้งที่ตนทุกคนแล้วก็เบื่อทุกทั้งนั้นแหละแต่เมื่อบุอ่เบื่อทุกแล้วตนเองความอัดเรื่องมันนะไปสะสมเหตุแห่งกองทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องได้รับทุกถึงเบื่ อ, อยังไงมันก็หนีไม่พ้นถ้าตนเบื่อทุกไม่ต้องการทุกจริอย่างนี้มันก็ต้องคอยระมัดระวังไอ้เรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นนะต้องระมัดระวังเสมอ ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่รีรับทรัพย์ส่อนอะไรอันเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละตาหูจมูกกลิน้นกายใจอันนี้ก็เป็นคู่กับรูปเสียงกลิน่นลดเครื่องสัมผัสต่างอันนี้นะบอ่อเกิดแห่งทุกข์นะบ่บอเกิดแห่งความสุขก็อันนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะตาเห็นรูปถ้าหากว่าเรารู้เท่ารูปนั้นแล้ว ไม่วันไว้กับรูปนั่นแล้วใจก็สบายนี่ก็เป็นสุขนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่รู้เท่าเราวันนี้ไม่รู้เท่าไปหลงรักหลงชังก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วนี่นะบ่อทุกข์นะมันอยู่ตรงนี้นะจนจะไปอยู่เลือกอยู่ขำที่ไหนต้องพิจารณาให้มันเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง อะไรหมดเนี้ถ้าไม่รู้เท่าเราเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกขั้งนั้นเลยความรักก็เป็นเหตุให้เกิดทุกความชังก็เป็นเหตุให้เกิดทุกทุกได้ทั้งสองอย่างเลยอย่างนี้นะแล้วเราจะมากำหนดละความรักความชังอย่างนี้ไม่ได้เทียวหรือผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะให เกิดความลังเลใจขึ้นมาในเรื่องมูนี้นะควรพากันใหค้ควรให้มันรู้ตนสายไปเหตุแห่งทุกข์จับให้มันได้อย่างนี้แล้วเราก็มีสตริระมัดระวังอยู่เสมออันนี้แหละที่ท่านเรียกว่ารักษาศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์ไปพร้อมนี่ถ้าบุคคลรักษาศีลแล้วไม่สำรวมอินทรีย์ สินมันก็เศร้าหมองหรือไม่ใช่ก็ขาดไปเลยอก็ให้พึ่มเข้าใจคำว่าสัมรวมอินทรีย์ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยสัมรวมมณีนีนันสําคัญมากสัมรวมใจดวงเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นอันสัมรวมอินทรีย์ห้าทั้งห้านั้นได้หมดเลยเช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะสติวิ่งเข้าไปห้ามจิตได้กําหนดรู้รูปรู้เท่ารูป น, นั้นตามเป็นจริงได้จิต ไม่วันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะก็เป็นอันว่ารูปที่มากระทบตานั้นก็ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยเหมือนนี่นะมันก็ผ่านไปผ่านไปแม่เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันนะเมื่อห้ามจิตสัมรวมจิตได้แล้วมันก็ดับไปดับไปมดของโมนีไม่มีพิษมีสงอะไรเลยอ่าแล้วก็มองเห็นให้ ชัดลงไปในทางวิปัสนาก็เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างโมนี้มีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่นะั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยเมื่อเราเพ่งลงไปถึงวิปัสนาเห็นแจ้งลงไปตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งยิ่งไม่วันไหวเลยจิตใจน ะ, ะก็ยิ่งตั้งมั่นนผู้ที่วันไหวอ ย, อยู่แสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสนาอะไรเลย ดังนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอภิมรธาธรรมคือความไม่ประมาทดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้